Thank you. สองสาวันมานี้นะได้มีการเปิดน้ำทำให้น้ำจากสระที่อยู่ข้างวัดก็ถ่ายเทลงมาอย่างสระใหญ่นะของเราน้ำก็ค่อยเพิ่มระดับสูงขึ้นนะพวกเราคงสังเกตได้บริเวณบางส่วนที่เป็นพื้นดินนะ ที่เคยเป็นพื้นสานะมันก็ค่อ ย, อยมีน้ำท่วมตอนนี้บางส่วนก็โดนน้ำท่วมไปปกติถ้ามาถึงช่วงนี้หน้าฝนเนี่ยมันไม่เคยที่จะมีน้ำน้อยขนาดนี้นะจนกระทั่งเห็น พื้นสระนะแต่นี่สิงหาแล้วนี่ถ้าไม่เปิดน้ำนะระดับน้ำในสระก็ยังน้อยอยู่พอน้ำเริ่มท่วมขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็ท่วมส่วนที่มันเป็นผื้นดินสิ่งที่ตามมานะก็คือว่าพวกปลาเนี่ยนะ มันก็เริ่มไปหากินตรงบริเวณที่เคยเป็นพื้นดินอย่างใต้ถุนอศาล า, ากลางน้ำเนี่ยก่อนหน้า น, นี้นก็เป็นดิน น, นะนะตอนนี้ก็เริ่มมีน้ำท่วมแล้วแล้วก็บางทีกลางคืนก็ได้ยินเสียงปรานมันฟาดน้ำนะ ก็จะเป็นปลาดุกปลชนมันเลื่อไปหากินอาหารเนี่ยตามพื้นที่มันเคยเป็นดินแห้งๆไอ้พวกเนี้ยพื้นตรงเนี้ยมันก็มีแมลงนะอาจจะมีไส้เดือนอาจจะมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยอาศัยแต่ก่อนก็อยู่สบายเพราะไม่มีน้ําแต่พอน้ําท่วมแล้วปลามันก็เข้าไป หาอาหารากินสัตว์พวกนี้แหละปลาดุกปลาช่อนนี่มันชอบอยู่แล้วนะที่เป็นเลนเป็นโครนเนี่ยมีอาหารให้มันก็ทำให้นึกถึงสำนวนนะที่ว่าน้ำมาเนี่ยปลากินมดนะน้ำลดนะมดกินปลาอันนี้เราก็คงจะคุ้นเคยกับปรากฏการณ์นี้น ะ, ะถ้าน้ำามาเมื่อไหร่ปลานี่ก็ มันก็ไปกินมดที่เคยอยู่บนพื้นหรือที่แห้งผาอันนี้ก็รวมถึงแมลงอย่างอื่นด้วยในตองเดียวกันเนี่ยในทางตรงข้ามเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำมันลดเมื่อไหร่เนี่ยปลาก็จะกลายเป็นอาหารของมดได้เหมือนกันเพราะว่าปล า, ม, ามันก็ตายมันก็สำนวนนี้ก็สะท้อนให้เห็นปรากฏการณ์ที่ว่า สัตว์ทุกชนิดนี่มันไม่ใช่เป็นแค่เหยื่ออย่างเดียวนะมันก็สามารถจะเป็นอ่าเป็นผู้ล่าเหยื่อได้เหมือนกันสัตว์บางอย่างสาัตว์ทุกชนิดเนี่ยบางอย่างเป็นเหยื่อนะแต่ว่าบางขณะในบางโอกามก็กลายเป็นผู้ล่าเหยื่อส่วนผู้ล่านี่ก็ในบางขณะนะก็สามารถจะกลายเป็นเหยื่อได้เหมือนกันนะมันขึ้นอยู่ว่า อยู่ในโอกาสในเงื่อนไขไหนมาดูปรากฏการณ์นี้แล้วก็ทำให้นึกนะนะถึงสิ่งที่เราพวกเราสนใจกันนะก็คือเรื่องของการพัฒนาจิตนะการพัฒนาจิตเนี่ยต้องอาศัยความรู้สึกตัวเป็นพื้นฐานนะเวลาเราพัฒนาจิตเราก็พยายามที่จะส่งเสริมให้กุศลธรรมเนี่ย มันสามารถจะอยู่เหนืออกุศลธรรมนะสองอย่างนี้เป็นปฏิปักษ์กันกุศลธรรมเนี่ยนกับอกุศลธรรมไม่ถูกกันนะการที่เราจะให้อกุศลธรรมเนี่ยขึ้นมาสามารถชนะอกุศลธรรมได้นี่มันก็ต้องใช้ตัวช่วยนะอตัวช่วยนะั่นคือความรู้สึกตัว ถ้าเราทําความรู้สึกตัวให้เกิดมีขึ้นเนี่ยก็เหมือนกับพอน้ําเนี่ยนะมาเริ่มท่วมพื้นเนะ่ยพอน้ําเริ่มท่วมพื้นเนี่ยปลามก็กินหมดนะน้ํานี่ก็อาจจะเปรียบได้กับความรู้สึกตัวนะพอความรู้สึกตัวนี้เข้ามาในใจเราเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่ดีสําหรับกุศลธรรมที่จะเข้าไปจัดการกับอกุศลธรรมปลานี่ก็เปรียบเหมือนกับกุศลธรรมนะ คำมดนี่ก็คืออากุศลธรรมงัม้นพอมีความรู้สึกตัวนะพรั่งพรูหรือว่าไหลถ่ายเทเข้ามาในใจเรานะอากุศลธรรมก็จะมีกำลังสามารถจะเล่นงานอากุศลธรรมที่มันเคยครองจิตครองใจเราได้กุศลธรรมเช่นอะไรบ้างก็เช่น ความเมตตากรุณาความอดทนขันตินะความภาคเพียรพยายามนะรวมทั้งสติและปัญญาด้วยนะอันนี้รวมไปถึงกุศลธรรมอย่างอื่นด้วยนะเช่นปราโมทปิติปสัสสธิน ะ, ะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ ช่วยให้เกิดการรู้ธรรมนะเรียกว่าโพชงส่วนอกุศลธรรมก็ได้แก่โลภะโทสะโมหะความเกลียดคร้านความเห็นแก่ตัวความกลัวความวิตกใครๆก็ไม่ค่อยชอบนะอกุศลธรรมเนี่ยเพราะว่ามีแล้วเนี่ยมันทำให้เป็นทุกข์แล้วทาให้เราห่างไกลจากความดี สิ่งที่เรียกว่านิวรเนี่ยนะมันก็เป็นอกุศลธรรมเหมือนกันนะไม่อ่าจะเป็นความง่วงเาหงาเผลนอนนะหรือว่าความโกรธความพยาบาทความหงุดหงิดขุนเคืองความฟุ้งซ่านความเังเาสงสัยหรือว่าความใคร่ในกาม น, นี่เกิดขึ้นในใจนะเมื่อไรใจเราก็ทุกข์นะ ผู้เจ้าเปรียบนะเอานือน้อวนเหล่านี้เนี่ยนะมันเหมือนกับสิ่งที่บีบคั้นใจเช่นเปรียบเหมือนกับสิ่งที่ทําให้คนหิวโหวยติดคุกหรือว่าต้องอ้างว่างเหมือนกับเดินอยู่ในทะเลทรายเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะของนิวน้วนที่มันทาให้จิตใจของเราเป็นทุกข์ นี่การที่จะทําให้อกุสุลธรรมเหล่านี้เนี่ยมันลดน้อยถอลงไปจากจิตใจเนี่ยเราก็ต้องนะเพิ่มเพิ่มกําลังให้กําลังให้กับกุศลธรรมและการที่จะให้กําลังแก่กุศลธรรมในการจัดการกับอคุสุลธรรมเนี่ยนะก็ต้องอาศัยความรู้สึกตัวนะคนเราพอมีความรู้สึกตัวปุ๊บเนี่ยมันง่ายนะที่จะมีความเมตตากรุณา มันง่ายที่จะมีความเ อ, อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันง่ายที่จะมีความอดทนนะอดกลั้นต่ออารมณ์มันง่ายที่เราจะมีความภาเพียิพยายามนะเพราะว่าความศสึกตัวเนี่ยนะมันเป็นตัวสนับสนุนกุศลและธรรมเหมือนกับปลาเนี่ยมันต้องอาศัยน้ำนะพอน้ำมาปุ๊บเนี่ยปลานี่นะเรียกว่า ดีใจเลยเนะี่ยสามารถที่จะอยู่มีกำลังนะที่จะจัดการนะกับพวกมแมลงต่างๆไดนะ้เช่นปาก็กินมดผู้เจา้าตรัสว่าบุคคลเมื่อมีความรู้สึกตัวนะกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นเอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะ เมื่อมีความสึกตัวความสึกตัวนั้นจําเป็นไปเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญนะ่เพื่อความตั้งมั่นของสัตธรรมนะเพื่อความตั้งมั่นไม่อันตรธานไม่เสื่อมสูญของพระสัตธรรมนะสัตธรรมในที่นี้เนี่ยนะก็หมายถึงกุศลธรรมก็ได้นะหรือว่าคุณงามความดีในจิตใจของเร า, าถ้าเราต้องการให้กุศลธรรมนะ เกิดขึ้นในใจเราต้องการทําให้อกุศลธรรมมันมันเลยให้ยไปจากจิตใจเนี่ยนะมันก็ต้องใส่ความรู้สึกตัวนี่แหละนะเป็นเบื้องต้นนะผู้จ้างต่างว่าความรู้สึกตัวเป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่นะเพื่อความตั้งมั่นนะไม่เสื่อมสูญไม่อันตรฐานแห่งพระสัตธรรมใอ้เวลาเราทําความดีเนี่ยเราก็ต้องเริ่มต้นจากการทําความรู้สึกตัวก่นอนเพราะถ้าเาไม่รู้สึกตัวแล้วนะ โอกาสที่อากุศลธรรมมันจะเข้ามาครอบงำใจก็จะมนะีอาจจะเกิดความงงเอาหาวนอนจิตใจก็จะฟุ้งซ่านนะคิดไปต่างๆนาน า, นาคิดไปบางเรื่องก็ทำให้ขุนเคืองใจทำให้เศร้าโศกเสียใจนะ ที่ไปบางเรื่องก็ทำให้เกิดความวิตกกังวลนะทำให้เกิดความโกรธแค้นอยากจะแก้แค้นอยากจะตอบโตนะ้แล้วก็อาจจะลงมือทำโดยเฉพ่อเมื่ออาวมเหล่านี้ครอบงาบจิตใจจนลืมตัวนะคนร้อนเมื่อลืมตัวแล้วเนี่ยมันก็สามารถจะทำชั่วได้ง่ายนะบางทีก็ทาไปแล้วถึงค่อยมารู้สึกตัว แล้วก็เกิดความเสียใจมีโยมคนหนึ่งนะก็เป็นคนที่สนใจสายธรรมะเข้าวัดเข้าวาแต่ว่าลูกชายไม่สนใจเลยลูกชายเป็นวัยรุ่นแล้วก็ดื้อด้วยไม่เข้าวัดไม่เป็นไรนะแต่ว่าไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่นะ ช, ชอบขัดคำสั่งพ่อแม่อยู่เป็นประจำนะจริงๆลูกก็ไม่ได้นะเป็นคนเก่งไม่เลยเ ก, กเรอะไรเพียงแต่ว่าไม่ค่อยเนะนะชื่อฟังพ่อแม่อาจจะชอบทะเลาะถลายไปตามเรื่องนะพ่อห้ามพ่อสั่งก็ไม่ทำตามนะพ่อก็เริ่มมีความโกรธ ก็ต่อว่าลูกเป็นประจำวันหนึ่งลูกก็มาขอพ่อนะจะขอยืมรถพ่อขับไปหาเพื่อนตอนกลางคืนพ่อไม่ให้แต่พอพ่อเผลอเนี่ยลูกชายก็ขับไปพ่อโกรธมากไปตามลูกชายกลับมามาถึงบ้านก็ทะเลาะกัน ลูกกรเถียงพ่อก็ยิงโกรธนะไอถึงขั้นด่าว่ากันแล้วพอลูกโตแย้งมากนะก็มีการลงไม้ลงมือลูกก็โกรธนะก็คงมีการด่าว่ากันพ่อนี่ห้ามใจไม่อยู่นะอเอิญ น, นะมันมีปืนอยู่ในห้องนั้นนะก็คว้าปืนขึ้มายิงลูกยิงลูกตายเลย พ อ, อยู่ลูกตายถึงรู้สึกตัวว่าทำอะไรลงไปไอตอนจะยิงเนี่ยนะมันไม่รู้สึกตัวนะเพราะว่าถูกความโกรธมันครอบงำมันพร้อมจะจะทำอะไรก็ได้อยากจะทำร้ายลูกตอนนั้นมันไม่ใช่แค่โกรธแล้วนะมันเกลียดแล้นะลูกที่ตัวเองเคยรักเนี่ยจากรักก็กลายเป็นเกลียด ฉับพันทันทีเพราะว่าทําในสิ่งที่พ่อผิดหวังพอยิงไปแล้วถึงเคยรู้สึกตัวอ้าวนี่ฉันทําอะไรลงไปเนี่ยนบ่อยครั้งเนี่ยความรู้สึกตัวกลับมาเมื่อมันทําไปเรียบร้อยเลยนะหลายคนเนี่ยตอนโกรธเนี่ยนะมันไม่รู้สึกตัวนะมันคิดอยากจะดา่าให้เต็มที่ให้เขาเจ็บปวดมากที่สุด พอด่าไปแล้วถึงค่อยรู้สึกตัวว่าทําอะไรลงไปแล้วก็เสียใจไอ่คนส่วนใหญ่เป็นอย่างงั้นบางทีก็ลงไม้ลงมือไปแล้วนะถึงค่อยรู้สึกตัวแต่พอรู้สึกตัวไปแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกตัวประเดี๋ยวเดียวนะเพราะว่าไอ้ความรู้สึกผิดรวมทั้งความกลัวมันก็จะเข้ามาจู่โจมครอบงําจิตใจอย่างเช่นพ่อเนี่ยพอยิงลูกตายไปแล้วเนี่ย รู้สึกตัวขึ้นมาว่าทำอะไรลงไปแล้วก็รู้สึกเสียใจว่าฆ่าลูกไปแล้วอาจจะคิดต่อไปว่าเนี่ยจะต้องติดคุกติดตารางหรือว่าเสียชื่อเนี่ยเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมแต่ด้านฆ่าลูกตา ย, ยแล้วฉันจะทนสู้หน้าเนหรือเอาหน้า ไปไว้ไหนอับอายขายหน้าคิดนะคิดขึ้นมาทันทีเลยตอนนี้แหละนะไอ้ที่รู้สึกตัวมันก็รู้สึกตัวไปเดียวดาวแล้วก็กลับมาถูกท่วมทับด้วยความรู้สึกกลัวรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจแล้วนะทํำยังไงหน้ามืดนะลืมตัวก็เลยยิงตัวเองตายนะตายทั้ง ลูกตายทั้งพ่อนะอันนี้เพราะว่าความลืมตัวโดยแท้เลยนะพอไม่รู้สึกตัวแล้วเนี่ยนะคนเราก็สามารถจะทาอะไรที่เลวร้ายที่ตัวเองนึกไม่ถึงก็ได้เพราะฉะนนความลืมตัวเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะเพราะว่าถ้าลืมตัวแล้วเนี่ยนะการที่จะทําความดีมันก็ยาก มันมีแต่จะคิดทําสิ่งที่ชั่วร้ายคนบางคนเนี่ยนะจะลืมจะจะรู้สึกตัวได้เนี่ยก็เพราะว่ามีปัจจัยภายนอกนะมามาช่วยเตือนจะว่าไปไม่ใช่คนบางคนอนะส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะยกตัวอย่างเช่นขณะที่เราใจลอยนะ เราใจลอยนะคิดไป น, น้ย่ยคิดไป น, นี่พอเพื่อนทักขึ้นมาอา้าวรู้สึกตัวแล้วนะการทักของเพื่อนทำให้เรากลับมารู้สึกตัวนะซึ่งอันนี้ก็ยังดีนะเพราะว่าใจมันลอยไปไม่ไกลแล้วก็เรื่องที่ทำให้ใจลอยหรือลืมตัวก็อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตเท่าไหร่ แต่บางทีคนทักนี่ก็ไม่ได้ผลนะเพราะว่าใจเนี่ยมันจมอยู่ในอารมณ์มันลืมตัวเช่นเวลาโกรธนี่นะหรือเวลาหน้ามืดเนี่ยหน้ามืดด้วยไม่ใช่หน้ามืดด้วยโทสะอย่างเดียวนะอาจจะหน้ามืดด้วยราคาก็ได้พอหน้ามืดด้วยราคาเนี่ยมันไม่ไม่สนใจอะไรแล้วเนี่ยอย่างคนที่ไป ฉุดค่าผู้หญิงนวันนี้ก็เป็นคนที่อมีหน้ามีตาแต่ว่าพอหน้ามืดด้วยด้วยราคาเนี่ยก็สามารถจะอ่าฉุดค่าหรือว่ากระทำชำาชําเราคนที่ตัวเองอาจจะรู้จักด้วยซ้ําำพอทําไปแล้วนะรู้ตัวขึ้นมาหลังจากที่อปลดเปลื้องอารมณ์ ราคาหรืออารมณ์หืนไปแล้วเนี่ยนะมันก็กลับมารู้ตัวพอรู้ตัวว่าทำอะไรลงไปนะกลัวโทษทันนะกลัวอันตรายกลัวภัยที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวผู้หญิงไปบอกไปฟ้องตำรวจกลัวเสียชื่อนะเสียหน้าเป็นคนมีชื่อเสียงหรือบางทีกลัวคุกกลัวตาราง ไอ้ความกลัวก็กลับมาทำให้ลืมตัวอีกครั้งนะเมื่อกี้รู้สึกตัวนะแต่พอลืมตัวเพราะความกลัวเนี่ยเอาละคราวนี้อาจจะหาทางปิดปากผู้หญิงปิดปากเย่อหนักก็ไปใหญ่นะอาจจะถึงขั้นทำร้ายนะอันนี้ทำด้วยความกลัวหรือว่าความโกรธก็หนักก็ไปใหญ่เลยเนี่ยงั้นคนเราเนี่ยนะ สามารถจะถลันไปสู่ความฉิบหายหรืออบายไดเนี่ยเพราะความเดืมตัวที่จริงเนี่ยถ้าเรามีสตินะสติเนช่วยทำให้นะเรากลับมารู้สึกตัวได้เร็วแล้วก็รู้สึกตัวก่อนที่จะพรีผาลทำอะไรลงไปไม่ใช่ทำเสร็จไปแล้วนะนะทำสุดระบายอารมณ์เสร็จแล้วเนี่ยถึงค่อยมารู้ตัวนะคนส่วนใหญ่เป็นอย่างงั้นนะ แต่ถ้ามีสติเนี่ยมันแค่คิดก็พอคิดยังไม่ทันจะพูดเลยคิดไม่ทันจะทำเลยนะมันก็มีสติแล้วก็สามารถทำให้ความรู้สึกตัวกลับมาพอความรู้สึกตัวกลับมานะไอความคิดที่เป็นความชั่วร้ายเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นมโนกรรมวัจจีกรรมหรือกายกรรมเนี่ยมันก็มันก็ล่าถอยไปนะเพราะว่าไอความรู้สึกผิดชอบชั่วดี นะมันกลับมาโมนโนธรรมนี่มันกลับมากุศลธรรมมันกลับมานะเพราะความสึกตัวเนี่ยนะเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลธรรมไอความคิดที่จะทำชั่วนะที่จะทำในสิ่งที่เป็นโทษกับตัวเองหรือเป็นโทษับผูื่นมก็เลือนหายไปนี่จาเป็นมากที่เราต้องฝึกนะให้ให้ให้มีสตินะที่ฉับไว เพราะสติเนี่ยจะช่วยทาให้เรารู้สึกตัวได้ได้เร็วขึ้นไม่ไม่ต้องรอตัวช่วยจากข้างนอกนะหรือไม่ใช่ว่าทำจนเสร็จแล้วเนี่ยถึงค่อยมารู้ตัวนะดาเสร็จแล้วถึงค่อยรู้ตัวนะว่าทำอะไรลงไปอันนี้เป็นคนที่ปล่อยชีวิตอยู่ในสภาพเะนั้นเนี่ยถือว่าชีวิตขอยเขาอยู่ในความเสี่ยงมากนะ ต้องหมั่นเจริญสตินะให้ไวนะการเจริญสตินะเราก็ให้ฝึกสติยวบการเคลื่อนไหวอันนี้เป็นเบื้องต้นเลยมันก็มีหลัก ง, ง่ายๆว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะเวลากายทำอะไรใจก็รับรู้หรือว่ารู้สึกนะ คำว่ารับรู้รู้สึกนี่มันก็เป็นตัวเดียวกันนะรับรู้ก็จะรู้สึกว่ามือเคลื่อนไหวนะไม่ใช่รู้สึกเจ็บรู้สึกปวดปวดมือนะอันนี้คนละตัวกันนะอันนั้นคือเวทนากายเคลื่อนไหวใจก็รับรู้นะหรือบางทีก็เรียกว่าเห็นกายเคลื่อนไหวนะเห็นเนี่ยเห็นด้วยสติ เห็นด้วยตาในนะไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อแม้จะอยู่ในห้องมืดนะเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวใจก็รับรู้ถึงแม้ตาจะมองไม่เห็นนะกายเคลื่อนไหวใจรับรู้นะเห็นกายเคลื่อนไหวโดยเพราะเมื่อเวลาเราทํากิจการงานต่างๆนะการทํากิจการต่างๆเนี่ยมันต้องอาศัยกายเคลื่อนไหวเป็นพื้นฐานนะส่วนใหญ่นะ นะกิจในที่นี้ไม่ได้แปลว่าการงานอย่างเดียวนะกิจส่วนตัวทำธุระส่วนตัวเช่นเข้าห้องน้ำนะหรือว่าล้างหน้าแปรงฟันนะทำผมอันนี้ก็มีการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวส่วนกายนะกายเคลื่อนไหวใจก็รับรู้นะอันนี้ว่าเห็นกายเคลื่อนไหวเวลาใจคิดนึกไปก็รู้นะ ใจคิดนึกมีอารมณ์เกิดขึ้นคความคิดนั้นก็รู้ทันความคิดเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยมันรู้ทันได้ง่ายกว่าอารมณ์นะเวลาเราคิดเนี่ยเราไม่จะคิดเป็นคำพูดหรือไม่คิดเป็นภาพนะสังเกตไม้มเวลาเราคิดเนี่ยเราไม่จะคิดเป็นภาพถ้าหาว่าเป็นการนึกถึงอดีตหรือบางทีก็สร้างภาพขึ้นมาเวลานึกถึงอนาคต อันนี้เราปรุงแต่งหรือไม่ก็นึกเป็นคําโดยเพราะสิ่งที่มันเป็นนามธรรมนะเช่นคิดถึงเหตุผลที่จะอธิบายาว่าทำไมนะเราอยากจะทำอย่างนั้นทำไมเราทำอย่า ง, งนะี้บางทีจะหาข้อแก้ตัวเราก็คิดเป็นคำํำนะเพื่อเป็นเหตุผลที่จะใช้อ้างหรือเวลาจะพูดเวลาจะต่อรองนะ ทำสัญญาเราคิดลงหน้าแล้วก็คิดเป็นคำพูดบางทีก็นึกเป็นภาพนะเหตุการณ์จำลองขึ้นมาในใจเพราะเห็นว่าเราคิดเป็นคำหรือว่าคิดเป็นภาพเนี่ยมันจึงรู้ทันได้ง่ายกว่าอารมณ์อารมณ์เนี่ยมันเหมือนกับเป็นเป็นเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะมันเป็นอะไรที่เหมือนกับเป็นม่านหมอกนะที่มันคลุมใจเอาไว้ บางทีมันก็ไม่ใช่เป็นม่านหมอมอาจะเป็นไฟมันเป็นความรู้สึกอันนี้ถ้าเกิดว่าเราสติเราไม่ไหวเนี่ยมันก็รู้ทันอารมณ์ยากการเจริญสติเราเจริญเราฝึกสติจากเรื่องง่ายๆคือเห็นสิ่งที่มันยากนะรู้ในสิ่งที่มันยากก็คือการเคลื่อนไหวหรืออิริยาบถนะอันนี้มันยากและการยกมือเนี่ยมันก็ ให้ความรู้สึกที่หยาบ ก, กว่าการกระพริบตาการกลืนน้าลายหรือว่าการหายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ฝึกสติใหม่ๆเนี่ยก็ จ, จะพบว่าเออเวลายกมือสร้างจังหวะเวลาเดินตรงกลมแล้วเนี่ยมันรู้สึกตัวได้ได้ดีกว่าได้ไวกว่าเพราะจะว่าไปไอการเคลื่อนไหวของมือนะหรือว่าเวลาเท้าก้าวเดินเนี่ยนะ มันจะส่งความรู้สึกไปไปเรียกจิตที่ฟุ้งซ่านกลับมานะอันนี้พูดเปรียบเปย์นะเวลายกมือสร้างจังหวะเวลาเดินจงกลมเนี่ยมันจะส่งความรู้สึกไปสะกิดใจใจที่กำลังเผลอลอยไปโน่นลอยไปนี่เนี่ยนะพอมีความรู้สึกไปสะกิดเนี่ยมันจะรู้ตัวได้ไวแล้วก็จะกลับมาเหมือนคนที่ใจลอยนะใจลอยเนี่ยนะ พอมีเพื่อนสกิดเนี่ยพอมีเพื่อนแตะไหลอ่ะไอ้ที่ลอยไปไหนมันกลับมาเลยไอ้ที่คิดนู่นคิดนี่เนี่ยมันสะดุดมันหยุดไปเลยนะบางทีคิดในเรื่องที่ทำให้ขุ่นเคืองกำลังโกรธนะไอตอนที่คิดนี่โกรธมากเลยนะพอเพื่อนแตะหลังพอเพื่อนแตะมือรู้สึกตัวเลยพอรู้สึกตัวปุ๊บเนี่ยนะไอความคิดและความโกรธที่มัน มันครอบงามจิตมันมันหลุดไปเลยนะมันไม่ใช่เป็นการห้ามคิดนะแต่มันหลุดไปเองเพราะอะไรเพราะความสึกตัวอันนี้ที่พระเจ้าบอกว่าเนี่ยเมื่อบุคคลมีความสึกตัวเนี่ยอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะจะโกรธจะกลักวนะหรือว่าจะมีราคะเพราะการคิดปรุงแต่งขณะที่กําลัง นั่งฟังคำบรรยายขณะที่กำลังนั่งอยู่เฉยๆนะพอมีเพื่อนมาแตะไหลมาแตะมือหรือพอมีเสียงครูบาอาจารย์พูดได้ยินเสียงจากข้างหลังรู้สึกตัวขึ้นมา อ, อารมณ์อกุศลทั้งหลายเนี่ยที่มันก่อตัวขึ้นมามันหายไปเลยนะลองสังเกตดูอันนี้แหละเรียกว่าอนุภาพความรู้สึกตัวแต่ว่าอย่างที่บอกนะ ไอ้เราจะไปรอให้คนมาทักเรามาแตะมือเราเนี่ยอันนี้มันหวังยากเนี่ยบางทีเราก็อยู่คนเดียวนะแต่ถ้าเราใช้ความใช้เรียบบทการเคลื่อนไหวของกายนี่แหละหรือว่าเท้าที่ก้าวเดินนี่แหละนะมันเป็นตัวสกิดมันส่งความรู้สึกไปสกิดไปสกิดใจเฮ้ยให้กลับมารู้ตัว งการยกมือสร้างอย่างหวาการเดินยังโกงเนี่ยมันมันมันช่วยได้ดีนะนอกเหนือจากการที่เป็นแบบฝึกการให้ใจเนี่ยกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นแบบฝึกหัรให้ใจมารับรู้กายที่เคลื่อนไหวนะไอ้ตรงนั้นเรียก ว, ว่าเรียก ว, ว, ว, ว่ารู้กายแต่ขณะเดียวกันไอ้การเคลื่อนไหวนี่แหละมันก็สามารถจะส่งความรู้สึกไปสะกิดใจให้กลับมารู้ใจได้นะให้ใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว พอใจกักบเนื้อกับตัวเมื่อไหร่นิวรก็ดีอกุสนะที่ก่อตัวขึ้นมาจากความคิดเนี่ยมันหายไปเลยมันหลุดไปเลยแต่ว่าถ้าเราสติเราไม่ดีพอนะหรือว่าความรู้สึกตัวเรายังไม่ตั้งมั่นเนี่ยเดี๋ยวมันก็เผลอไป๊ะละความรู้สึกตัวของเรามันเกิดขึ้นชั่วคราวนะเหมือนคนขี้ลืมนคนขี้ลืมเนี่ยนะบางทีจําชื่อคนได้ประเดียวประดาว นะมีคนบางประเภทนี่ขี้ลืมมากอันนี้เพราะมีปัญหาเกี่ยวกับสมองแนะนำตัวว่าชื่ออะไรนะบอกให้เขาฟังเขาก็จำได้นะแต่เขาจำได้แค่ห้าวินาทีอ่ห้านาทีผ่านไปห้านาทีเขาลืมแล้วต้องถามชื่อใหม่ว่าชื่ออะไรนะหรือบางทีคุยไปสักพักก็เดินออกไปนอกห้องแล้วกลับมาใหม่ อีกคนนลืมเลยนะว่าเมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันหรือว่าลืมชื่อไปเลยนะว่าไอคนที่กลับค่าห้องเนี่ยมันชื่ออะไรทั้งที่คุยกันเป็นล็อกเป็นเวนนะเมื่อสักครู่เนี่ยห้านาทีสินาทีแต่พอไม่ได้เห็นหน้าสักแค่ไม่กี่วินาทีลืมซะละนะอันนี้เรียกว่าความหลงมันมาเร็วมากเลย แต่นี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนที่เขามีปัญหาเกี่ยวกับสมองนะจากถึงแม้คนปกติไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสมองเนี่ยแต่ความรู้ตัวมันจะอยู่ประเดี๋ยวประดาวมากนะเผลอปุ๊บเดียวลืมไปละใจลอยไปแล้วนะบางทีก็เหมือนกับแบตเตอรี่นะที่เก็บไฟได้ประเดี๋ยวประดาวนะโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะที่เราใช้กันหลายปีนะ หรือคอมพิวเตอร์ก็ได้พอใช้ไปนานๆแบตเตอรี่เสื่อมนะชาร์จไฟไปครึ่งชั่วโมงบางทีชาร์จไฟเป็นชั่วโมงนะมันเก็บไฟได้ไประเดี๋ยวเดียวพอใช้ไปห้าทีมันหมดแล้วใช้แค่5นาทีเนี่ยหมดแล้วนะมันเก็บไฟได้น้อยมากนก็เหมือนกับจิตของคนที่เพิ่งปฏิบัติธรรมนะเพิ่งเจริญสติ จิตมันจะมีความรู้สึกตัวได้ประเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็ลืมไปแล้วนะแต่เราก็อย่าทอนะเราก็ทําไปทําไปทําไปจิตมันจะดีขึ้นเรื่อยๆความรู้สึกตัวมันจะอยู่นะอยู่นานขึ้นนานขึ้นนะแล้วต่อไปเนี่ยความหลงก็จะน้อยลงน้อยลงคิดไปก็รู้ทันคิดไปก็รู้ทันได้เร็วเรียกว่าคิดปุ๊บเนี่ยรู้ปับ๊บนะอ่าอันนี้แหละนะที่นทําให้ความรู้สึกตัวอยู่ต่อเนื่องแล้วกุศลธรรมมันก็จะ คงอยู่ในใจของเราได้นานขึ้นแล้วก็ไม่เปิดช่องให้อกุศลธรรมนะเข้ามาครอบงําใจแต่ถ้าเกิดว่าอากุศลรรถ้าเกิดความรู้สึกตัวมีน้อยนะมันก็เหมือนกับพอน้ําลดนะมดกินปลาเนี่ยถ้าความรู้สึกตัวเรามีน้อยนะอกุศลธรรมก็เข้ามาเล่นงานจัดการกับกุศลธรรมในใจไม่เหลือหลอเลยนะเหมือนกับมดกินปลาเลนะี่ย เราต้องกลับกันนะต้องทําให้น้ํำมาเนี่ยปลามันจะได้กินมดนะอย่าให้น้ําลดเนี่ยน้ําลดเมื่อไหร่นี่เสร็จนะตัวกิเลสตัวตันหาเข้ามาครอบงำรวมทั้งความทุกข์ด้วยแหมันสร้างความสึกตัวให้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆให้มันคลองใจเราไว้นะหรือว่าต่อเนื่องนะรักษาใจของเราอย่าให้ความสึกตัวรั่วไหลแล้วกุศลธรรมก็จะเจริญงอกงามในใจ แล้วก็จัดการกับตัวอกุศลธรรมทให้ออกไปจากใจเราความสุขก็จะเกิดขึ้นกับใจความสงบนะความเจริญ ง, งอกงามการทำความดีก็จะเป็นไปได้อย่างต่อนเนื่องอคำนี้ก็อภพทันนี้นะครับ